เพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่เรากําลังทําอยู่นี่ได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทําเราได้ทํำในสิ่งที่เราได้ฟังเอามาประกอบกันให้สิ่งที่ได้ยินในเป็นเรื่องของเราอจะเป็นเรื่องของคนอื่น คำสอนพระพุทธเจ้าที่รลสาที่ใหญ่ไม้เป็นเรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของพุทธเจ้าโวมลูกพวมหลงมันเกิดขึ้นไม่มีการไม่มีเวลา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 จึงจะเชื่อเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมนอกจากเหตุสิ่งตัวที่เหตุดับที่เหตุแล้วก็ต้องให้มีความเตรียมพร้อมอยู่ในการใช้ชีวิตเราสร้างคุณธรรมไม่เกิดขึ้นมีศรัทธา ในการปฏิบัติในการทำความดีในศรัทธาในการละความชั่วมีเมตตากรุณามีความรักมนุษย์ทุกสิบสิ่งจะไม่เบียดเบียนตนเองจะไม่เบียดเบียนสิ่งอื่นคนอื่น มีจิตใจเบิกบานเจื้อสละตอนจิตให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเป็นส่วนประกอบกับศรัทธากับ ส, บสติที่เรากำลังทำอยู่จะงอกงงามได้ไวเหมือนต้นกล้าที่มีสิ่งเวรลอมดีจเจริญเ ต, บติบโตได้ง่าย ถ้างเวดลรอมดีก็เหี่ยวแห้งเฉาตายไปได้เช่นกันเราสร้างสติเราทำความดีเราละความชั่วให้มีพลังทำความดีมีพลังละความชั่วเปินงีวดลรอมที่เราสร้างขึ้นมาไม่มีใครสร้างให้เราได้ เราปูกข้าวเราปูกอะไรต่างๆเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นปีนี้ชาวนาชาวไร่ทำนาทำไร่ไม่ได้เพราะอาศัยว่าผลตามฤดูกาลแต่การสร้างอลิทรัพย์ที่มันให้มีในให้มีเกิดขึ้นในเราไม่มีฤดู ไม่มีการไม่เวลามีศรัทธาเหมือนเนื้อนามีความเพียรเหมือนน้าฝนมีสติเหมือนเข้าปลูกข้าพันพันพืชมีสมาธิคือเปลี่ยนร้อยเป็นดีเหมือนมีไถพิกย่าลงไปในดินเปลี่ยนหน้าดินเปลี่ยน ที่ไม่มีดินไม่มีหญ้าขึ้นมาเพื่อเหมาะกิจาการปลูกหรือว่าสมาธิมันหลงเปลี่ยนเป็นลูกได้อย่างชัดเจนแม่นยำไม่ต่อรองมันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์มันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเรียว่าสมาธิเหมือนคาดเหมือนไถเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกเหมือนนึกเปัญญา จนมีนามีน้ำฝนมีข้าวพันข้าวปลูกมีค้าวมีไถมีปัญญารู้จักไขนเข้าขายนำออกรู้ตรงไหนที่มันท่วมปล่อยออกตรงไหนที่มันแห้งขังแห้งพอดีให้มมนเกิดมิตรภาพนังนก็สร้างถนนมิตรภาพจากบ้านภัยขอยนแก่น ถือเจ้วน้ำไม่เกิดเพี้ยมไม่เกิดสะเทือนเลยมันเป็นมิตรภาพที่มันเป็นมิตรภาพได้เพราะเขาทำตรงไหนที่มันสูงตัดลงที่ไหนที่มันต่ําถุงขึ้นตรงไหนที่มันเป็นทางน้ำทำสะพานหรือฝังโท่อให้มันผ่านชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นได้ความไม่เที่ยงปล่อยมันไปความเป็นทุกข์ปล่อยมันไป ผมไม่ใช่ตัวตนปล่อยไปให้ไปเป็นทางไปอย่าไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นขัดขังไว้ให้ความทุกข์ความโกรธนอนอยู่กับชีวิตเหล่าข้ามวันข้ามคืนมิเต๋อเสียหายปล่อยมันไปจะละอารมณ์เน่าให้เป็นตรงไหนที่มันอ่อนแอเข่มแข็งหลงเป็นหลงอ่อนแอหลงเป็นรูเข่มแข็ง ข, ขึ้น ต้งไหนที่มืนถึงเชื่อดจิงจังเกินไปผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเหมันแข็งเกินไปให้เห็นมันเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องถูกอย่าไปจริงกับมันเห็นตรงอยู่ตรงกลางเห็นมันผิดเห็นมันถูกถ้ามันผิดแล้วไม่ชอบถ้ามันถูกชอบ มันเป็นบวกเป็นลบมารมบวกลบมันกระทบกระทือนต่อชีวิตเราให้มันอยู่ตรงกลางเห็นเหมือนผิดเห็นมัอนถูกเห็นมันหลงเห็นมันลูกดีดีสติเนี่ยมันเป็นมันเป็นศินลปะแห่งการรับเหมือนแม่รับลูกด้อยที่วิ่งเข้ามาหา ถ้ารับไม่เป็นลูกก็เจ็บแม่ผู้รับลูกโอบมือไว้พอดีพอดีก็จะสัมผัสพอดีตาเห็นลกูนกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจคิดนึกมีการสัมผัส การสัมผัสเนี่ยสาคัญที่สุดอย่าดวนรับอย่าดวนปฏิเสธไม่ดวนลับไม่ดวนปฏิเสธฟังไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนได้ยินไว้ก่อนอย่าพึงไปสุขอย่าพึงไปทุกข์อย่าพึง ไ, าพงไปชอบอย่าพึงไปไม่ชอบหัดจากนี้เรียกว่า ศิลปะหรือว่าศิลปศาสตร์ศาสตร์แทงชีวิตไม่กระทบกระเทือน่อกจากเรามีสติแล้วมันก็มีเชิงอื่นที่เราจะต้องให้เป็นสุประกอบไปด้วยทำความเพียรแบบแห้งแรงมีสติแบบแห้งแรงก็มีจริงจังหน้าดำาค้ืงเคียดไม่ดูจัดทารรใจ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เคยคิดช่างหัวมันเป็นเช่นนั่นเองไม่เคยว่าไม่เคยวางใจลักษณะแบบนี้มีแต่ผิดมิแต่ถูกมิแต่ขย้อนมิแต่เกียรติข้านให้ความเกียดข้านพาหยุดให้ความขยันพาทำให้ความพอใจกขามไม่พอใจผ่านอยู่เสมออาศัยชีวิตเราอยู่เสมอนั่นก็ ไม่หมาที่จะได้บรรลุธรมรมผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั่นบางอย่างพระอนุนเนี่ยเอาจริงจังมันหนึ่งขึ้นหนึ่งไม่รู้อะไรเลยพราว่าเห็นตัวเองหมดเลี่ยวหมดแรงนั่งตั้งแต่ยำค่ำถึงแสงเงินแสงทองขึ้นคิดว่าตัวเองจะไม่ได้หลับได้นอนก็เลย วางใจสักหน่อยขอพักผ่อนเอาแรงสู้อีกสักหน่อยเงียบสักหน่อยเงีบสักหน่อยวางใจไม่อยากลูก้ไม่เขี้ยวไม่เข็นไม่รีดแรงงานขณะนั่นะ่ะบนธธรนรู้ทำทันทีขณะที่วางใจลงไม่ใช่เวลาที่รูปแบบนอกรูปแบบ การม่รูร้ทานกรูปแบบไม่ได้อยู่ในอริบทั้งไม่ได้อยู่ในอริบทนอนไม่ใช่อยู่อริบทยืนเดินงอกรูปแบบเอานาจึงให้มีประสบการณ์หลายๆอย่างจึงในจึงในที่ เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปหาคำตอบจากความคิดปัญหาเกิดจากอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่าหาคำตอบจากความคิดให้อกกรรมคือการกระทำทำไปก่อนบางทีคิดจะไปถามล้วเกิดเลยขึ้นก็คิดจะไปถามไม่มีผู้ที่จะถามไม่รู้ว่ใครจะเป็นคนตอบไหมก็เลย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 ประเดนไหนพื้นที่ไหให้โูกหวให้ข้อขอให้ข้อเขียนบว่าขีดเอกอานอ่านดูแล้วข้อไหนมันตอบไม่ได้อย่ามึงไปคิดมันตอบข้อที่มันตอบได้ก่อนขีดไปข้อที่มันตอบได้ก่นอนถ้าขีดไปข้อที่มันตอบได้มันตอบได้มันตอบได้มาดูข้อที่มันตอบไม่ได้มันจะอาจจะตอบได้ หลังก็ได้ง่ายๆอย่าไปคิดอย่าไปจนตรงไหนที่มันจนอย่าไปหาเหตุหาผลก็มันทาไมทำไมทำไ ม, ำไมคิดว่าจะสอบได้คิดว่าสอบไม่ได้มันไปไกลเช่แล้วสนุกสนุกไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอารมลบ มันก็เมื่อมีมากๆมันจะทำให้สูญเสียสมองด้วยเรียนไม่เก่งคิดไม่ออกนางทีเทียดไปเลยการปฏิบัติธรรมถ้าทำดีมันก็สนุกมีแต่หัวโลไม่แต่ความยิ้มไปใน ใ, นใจเสมอมันหลงก็หัวาะความหลง มันรู้หัวโลความรู้มันสุขหัวโล่ความสุขมันทุกหัวโล่ความทุกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวกับเรื่องใดนี่เลยว่าผ้ามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เพราะว่ามีเพียรมีสติน่นะนะเวลาปัญหากเกิดขึ้นเมื่อมีเพียรเพ่งอยู่เหมือนพระทิตย์กำจัดความมืด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 ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาสิลาแท่งทึบไม่สะเทือนพโลมผู้มีเพียรเพ่งอยู่ไม่สะเทือนเพราะ อ, อ, ะอรารมณ์ที่มากระทุบ ม, มีสติสำชัญญะมีความเมตตากรุณาจิตใจเบิกบานเฉสละอยู่เสมอไม่จน ไม่มีสิ่งใดขวงขั้นให้เรามีรวมยินดียินร้ายได้ในรูปในรสใดกินในเสียงมันทะลุทะลวงไปได้เนินทาก็เท่ากันสนเสริญเท่ากันศุกร์ทุกเท่ากันไม่มีรสชาติผู้มีเพียรเพ่งอยู่พรามผู้ลอยบาปพรามคือผู้ลอยบาปบาปคือสิ่งที่เป็นทุกมาเท่าไหลลอยหนีที่นั่น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 วงปวดไม่ทําให้เกิดทุกข์อดทนมันก็กลายเป็นสิ่งเบาไปแต่ก่อนปวดเห็นเป็นปวดโศกเป็นสศกทุกข์กเป็นทุกข์พอมาดูเข้าไปมีสติเข้าไปจะเห็นมันจะเห็นมันไม่เป็นมันจริงมันต้องมีจริงมีกายก็มีหลงมีกายก็มีรู้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 มันสุกเป็นมันสุกในลาดแล้วเทียบท่าเหมือนเรือขึ้นฝั่งเรือเทียบท่าถ้าสุกเป็นสุกไม่มีท่าชันได้เป็นได้เป็นทางก็เป็นหน้าผาขึ้นไม่ได้ได้เป็นน้ำก็เป็นฝั่งที่สูงขึ้นไม่ได้เก้าขึ้นไม่ได้้อยคอสุกเป็นสุกด้วยว่าชีวิต้อยคอทุกเป็นทุกโดร้อยคอ มันก็เหนื่อยสุขเหนือทุกไม่ได้ถ้าเห็นเนี่ยมันตื้นขึ้นเหนือนเหลือเทียบถ้าก้าวขึ้นง่ายเห็นไม่เป็นองง่ายถ้าเป็นลมมันยากที่จะทาให้เป็นไม่เป็นสุขถ้าเป็นสุก็เป็นผู้ทุกถ้าเป็นสุขก็เป็นผู้สุขมันก็ขึ้นไม่ได้ถ้าพระนิพานเป็นฝังเรียบ มันก็มันก็ง่ายเช่นสุขเห็นสุขทุกเป็นทุกมันก็ยากน้าสุขเห็นมันสุขทุกเห็นมันทุกเน่ยมันเป็นอย่างนี้ระหว่านลา ด, าดเหมือนทะเลทะเละเลนี่ยมันลาดลงไปเหมือ น, นก้นกบทะ ก็เห็นเนี่ยเหมือนลอดลงไปต่าลงไปต่าลงไปถึงทะเลน้ามันชันเนี่ยมันก็เป็นหน้าผามันจะมันจะไปไม่ได้แม้แต่เรือก็เดินไปไม่ได้เช่นแน่นา้าโขงสี่พันโดรนลิผี ไปดูที่แม่น้ำของที่มันไหลมันเป็นหน้าผาตรงนั่นที่มันไปสู่กัมเหมนเวียดนามมันสูงตกลงไปที่ลีผีมันสูงมากเป็นเป็นหลายเมตรเป็นจิตเป็นสองสองเส้น่ะโดดลงไปมันสูง นี่หนึ่งมันสูงที่หนึ่งมันต่ำหรือว่าเคยเหม็นต่ํามันก็ต่ําจะเกียงลไปทางนั่นนนอทางนั่นมาขึ้นไม่ได้เรือวิ่งแม่น้าําขงไปทู่ที่นั่นก็ไปไม่ได้อยู่ที่แถวต้องคนจะบาสักปลาออซีเหยียนขึ้นมาใหม่ตรงนั่นไปไม่ได้ มันเป็นหน้าผาขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ชีวิตเรามันเป็นหน้าผาจุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกเป็นหน้าผาถ้ามีสติเห็นมันจุกเห็นมันทุกมันจะลาดขึ้นฟังได้ง่ายถ้าขึ้นขึ้นง่ายจะลงลงง่าย เหมือนทางขึ้นเขามาสุโกโต้ถ้าหลงจางเชียงข้อมันเป็นหน้าผาต้องทำให้มันลาดมันก็ขึ้นมาได้ชีวิตเราก็เหมือนกันมันเป็นหน้าผาจุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกเนี่ยมันไม่มีทางที่ไปถึงมากถึงผลได้จึงเห็น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 ไม่แม้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นจักว่าขอบคุณมันมันร่อนเป็นหนาวเป็นหิวเป็นปวดเป็นขอบคุณมันแต่ที่เป็นโุกผู้ความร่อนเป็นทุกข์ผู้ความร่อนเป็นหนาวผู้ความร่อนเอาเป็นหนาวเป็นทุกข์ผู้ความหนาวเป็นทุกข์ผู้ความหิวปล่อยเป็นจักว่าลาดแล้วเทียบธาตุได้กายสวรรกายไม่ใช่จดบุคคล อันสุกวันทุกข์ที่เกิดกับชีวิตทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์มีคู่เรียกว่าเป็นคู่กันบวกลบสุขทุกข์เห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์อันสุขทุกข์มีค่าเดียวคือเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์อันทุกข์ม่เป็นทุกข์สุขม่เป็นสุขสักแต่ว่าเวทนาสัากว่าเวทนา ไม่ใช่สบุคคลตัวตนเราเขาคิดอีกกันหนึงนห่งที่มันคิดลังทีมันคิดอะไรเนึงว่าตัวว่าตนมันคิดให้เป็นสุข ก, ก็สุขมันคิดให้โกรธก็โกรธมันคิดให้ทุกข์ก็ทุกข์เวลานอนความคิดเกิดขึ้นนอนไม่หลับเพราะความคิดคิดขึ้นมาโกรธน้าตาไหลก็มีเป็นทุกข์ พความคิดเกิดคิดขึ้นมาเกิดความรักเอารักเพราะความคิดคิดขึ้นมาเกิดความเกลียดชังเกิดความเกลียดชังเพราะความคิดเอาชีวิตเอาความเอาความคิดเป็นชีวิตไปเป็นพวกเป็นชาติเมื่อเรามาดูมันานจิตมันก็สักว่าจิตมันไม่ใช่สัตว์บุคคล ไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดทุกอย่างคำตอบมันเกิดจากกังกระทำมันไม่ใช่เกิดจากความคิดมันเกนเป็นความกลางมันเป็นเปลวไม่สอนตัวเองเวลานอนหันอนเราหายใจเข้าหายใจออกสักสิบนาทียี่สิบนาทีอย่าเพิ่งให้หลับขอไว้ อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับวางขาวางแขนพ้านุ่งก็ห่มเรียบร้อยนอนหายหายใจเข้าให้ท้องพองหายใจออกท้องยุบมีสติดูสุกสิบนาทีสิบห้านาทีก็จังปล่อยเชิงวางให้หลับเวลานอนหาเรื่องมาคิดไปดูเด ปอยความคิดคิดไปก็หลับก็หลับด้วยความคิดเป็นความฝันไต่กลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดไปไม่สอนตัวเองเราจจึงขัดอยาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดเอาคิดไปห้อยไปเขีนกับความคิดแล้วแต่ความคิดจะพายเป็นอย่างไรให้มั่นใจ หม้มั่นใจตัวเองว่าจะคิดอย่างไงจะทำไงตอนคิดไหไรก็ไปตามความคิดน่ะไม่ถูกต้องเสียเปรียบผิดพลาดมีสติเห็นจิตสวายจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใส่คุแเจเจ๊โซ่ตรงนี้มันก็หลุดไปไปได้อะไรก็อยู่ในหลักสูตรแบบนี้เป็นเจนเป็นหลักสูตร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 ตรงที่มันหลงกลายเป็นความรู้ตรงที่มีปัญหากลายเป็นปัญญาแต่ก่อนทุกเป็นทุกวันนี้ทุกเป็นปัญญาเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุก์อรต่างๆเห็นมันเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรชีวิตเรามันต้องได้มาตรฐานถ้าสุขถ้าเป็นสุขเป็นทุกอยู่ไม่ได้มาตรฐานมันยังมีขลื่นฟูแพรบ ได้เห็นนี่ยมันเป็นกลางมาตรฐานเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์อะไรอยู่ในหลักนี้เรียบว่าจชีวิตมาตรฐานชีวิตแบบนี้เหนือยกันเกิดเจ็บเจ็บตายต้องฝึกเอาเองบ่มาทําก็เห็นทันทีเห็นแต่ไรมีสติเห็นมันหลงเห็นมันรู้ แต่ก่อนหลงเป็นหลงพอ ม, มาเฝึกหัดหลงกลายเป็นความรู้มันปิดได้จริงจริงเปลี่ยนหลงเป็นรู้อะไรมันถูกต้องความหลงถูกต้องไหมความรู้ถูกต้องไหมก็ได้เปลี่ยนอย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้มันมันน่าจะขยันในของจริงได้ปรมาจารยสภาวะธรรม ได้เห็นสมมุติได้เห็นปลามัติได้เห็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรารวามหลงเป็นสมมติรวมไม่หลงเป็นปล า, า, ามัดปลามัดคือมันจริงสมมติไม่จริงความทุกข์เป็นสมมติความไม่ทุกข์เป็นปลามัดความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นปลามัิ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 ร้องผลก็หนาวแสงเดดก็ร้อนเหมือนกันหมดกาว่ารูปเนี่ยเี่ว่าวัตถุอาการแล้วก็นองจากรูปเนี่ยยังมีตามีหมูมีจมูกลิ้นกายใจมีคู่มีลูกมีรถมีกลิ่นมีเสียงตาเป็นวัตถุรูปเป็นวัตถุ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 ในความรักก็มีความไม่รักในความรักกันทีแรกก็สมมติว่ารักต่อไปก็จะเกลียดกล้กันผ่านเพราะความรักทิ้งกันไปเพราะความรักเกลียดกันเพราะความรักมันไม่เที่ยงสมมติบัญญัติ น, นั่นในโลกนี้สัตว์โลกตกติดอยู่ในสมมติบัญญัติเหมือนเหมือนปลาติดเม็ด บัญญัติเอาต่างกันบัญญัติเอาต่างกันไม่ใช่ปรีมัิสัจจะเพราะมันมีการสัมผัสมีสมมติอยู่ตรงนั้นไม่มีสติพาสมมติบัญญัติการชอบว่าไม่ชอบก็ามีอุปทานเข้าไปต่ออกีกยึดวันถือมั่นไว้อุปทานยึดไว้ ก็กลายเป็นพบเป็นชาติเชืรามรณะเกิดดับเกิดดับตรงนี้หมูก็มีวัตถุหูก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเสียงก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเวลามันสัมผัสกันเรียกว่าวัตถุมีอาการเกิดขึ้นก็ไปบัญญัติเอาสมมุติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบที่โอทานเกิดขึ้นโอทานเกิดขึ้นในการสัมผัสสมมุติปัญญัติเนี่ย เป็นพวกเป็นชาติเป็นเปรตเป็นจุลกายเป็นศาสนาโลกเดรัจฉานก็มีปนกันไปถ้าเป็นอย่างนี้หรือว่าชีวิตของคนคนเนี่ยมันปนกันคุมร้ายคุ้มดีไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยคนนี้ตกตอโลูกมากเท่ากับขนโคไใบถังต่ํา ผมชอบพงชอบมันไปทางต่ำถ้าเห็นมันไม่เป็นเรียกไปทางสูงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์เท่านั้นที่ถึงมรรคถึงผลไม่ใช่คนมันเป็นมนุษย์เป็นคนตรงนี้ตรงที่ผัสษะแล้วหว่างตาเห็นลูกหูีดเย็นเสียงจมูกได้กินลีนในรูดกายสัมปชัญญะมันคิด มันเป็นวัตถุอยู่ทุกคนมีวัตถุเหมือนกันมีการสัมผัสเหมือนกันแต่บัญญัติต่างกันกถ้าชอ บ, ชอบไม่ชอบสมมติบัญญัติร0อยเปเได้เห็นมันสุขเันทุกนี่ปรมารจิัจะไม่เป็นพบชาติตอนนี้ไม่มี เรียกว่าชาติสิ้นแล้วภมจันจบแล้วผู้เจ้าอุทานออกมาก็เห็นเรื่องนี้เมื่อมีอุปทานเกิดขึ้นเป็นภพเป็นชาติไปเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความลัก อ, อกหังเพราะความลักผิดภาพเพราะความโกรธว่าสมมุติบัญญัติอุปทานประยึดว่าเราว่าของเรา เสียเปรียบความโกรธองค์ทางพระความรับผิดพลาดเช่นต่างคนฆ่ากันตายต่อฆ่าเขาตายแล้วก็เสียใจผิดพลาดต้องตาสมัยอยู่บังเลยนี่ลูกชายข้าพ่อตัวเองตาย ให้ให้เมียอยู่เองอยู่บ้านกับปูปูก็ก็อาจจะบ่นให้ลูกสะภ้ายลูกสะพ้ายโกรธปูขับรถวิ่งออกไปหาสามีของตัวเองบอกว่าปดาูด่าอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อลูกชายได้ยินว่า พูดา่าพ่อดา่าเนียก็โกรธพอ่อไม่ได้ยับยังชั่งใจพอได้ยินก็โกรธโกรธเกิดขึ้นสมมติวันหยับว่าไม่ชอบเอความโกรธเกิดขึ้นทําตามความโกรธเอาปืนลูกสองหาอยบ่ า, บาเราขี่มอไซค์เข้ามาบ้าน เขาโกรให้ปูพอปูนั่งมาเห็นพ่อของตัวอนั่งฉานแต่ก้าอยู่นอกจชกานก็เดี่ยวปืนขึ้นยิงปูเอามือขะบังไว้หน้าไว้อย่ายิงอย่ายิงก็ยิงปืนใส่หน้าปูถูกมือทะลุใส่หน้าผากตายลงทันทีก็เห็นพ่อตายแล้วก็มันก็เปลี่ยนเนี่ยใจที่มันโกรธ ผมเห็นปู่เห็นพ่อลงแต่ตายแล้วก็เสียใจทันทีเลยพ่อกูตายแล้วพ่อกูตายแล้ววางปืนขึ้นไปบนบ้านไปดูพ่อโกรธพ่อร้องไห้เสียใจเลยเอาขึ้นเอาึ้นไม่ได้เพราะพ่อตายไปแล้วเพราะตามตามข่มโกรธมีเหมือนกันมล้เฉก็เก็บศพพ่อของตัวเองอย่างเรียบร้อยแล้วก็ ขึนรถเไปลงภาพมอบตัวสารภาพร้องไห้ไม่มีน้าตาจะออกมันเสียเปียบความโกรธก็ อ, อะไรเพราะอารมณ์ไม่ใช่จิตความโกรธเป็นอารมณ์มันจรมาเป็นอานการตกะเรียว่าอาการตกะทุกข์ความโกรธเป็นอานการตกะทุกข์ให้บรรเทา ละทันทีมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธทันทีจึงถูกต้องถ้า ต, ตอนตามความโกรธไม่ถูกต้องเราอยู่ไม่ใช่เรอยู่คนเดียวในโลกนี้ต้องมีศิละปะเรื่องนี้เอาไว้เช่นเจ้าหน้าที่สาธาสุขจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหานี้เพื่อ่วมงาน แล้วหวังตรงตัวเรานี่เกี่ยวเครืงองคนอะไรต่างๆวันหนึ่งวันหนึ่ ง, น, น, งนี่แต่คนเก็บผลป่ว ย, ต, ยต้องรอีบต้องร้อนใจมันรีบแต่ใจมันเย็นมีความไม่ตากรณาออกหน้าออกตาคิดอย่างใดทําสิ่งใดพูดเชิงใดได้ยินได้เห็นเชิงไหนมีความไม่ตาคุณออาจิตใจเบิกบานเสมอ เจริสละอารมณ์เน่าเสมอจางคะสละอารมณ์ออกหวมยอยู่เสมอตัวให้ใจิตใจเบิกบานเจรมใสจะสนุกโดยช่วยไม่มีงานอะไรที่เป็นกุศลเท่ากับการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาแม่แต่เขามานินทาเราเขาไม่รู้คนที่ไม่รู้เพราะอะไรมันไม่รู้ไม่มันหลงล้วไปทึษาหาเรื่องกับคนหลงไม่ได้ไม่ประโยชน์ เอาเหตุเอาผลไม่ได้คนที่มีความหลงมันอยู่ภูมิมันต่ำเหมือนพวกปรลเชตูปชีวีเจาะที่ายให้มันฟังมันไม่รู้มันเสวยกรรมของเขาเช่นความโกรธเราจะไปะสอนคนที่โกรธไปได้มันปรลเชตูปชีวีภูมิต่ำภพภูมิมันต่ำ มันจะอธิบายให้เป็นรู้จากบุญจากบาไปไม่ได้แต่บริโภควิบากกรรมของเขาคนที่มีวิบากกรรมเป็นพบปวนต่ำเช่นความโกรธเขาพอใจในความโกรธไม่อยากจะทิ้งความโกรธออกมาคิดหลายปีก็ออกมาคิดเรื่องความโกรธคิดขึ้นมาทีไรโกรธทุกทีเขาก็พอใจที่จะโกรธ มีใครไปห้ามเข า, าเขาไม่ยอมไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้เรียกว่ามีบากรรมของเอาทิศให้ไปได้เช่นนิทานเพื่อนกันคนหนึ่งทั้งแต่ความดีเสียฉลาได้อยู่สวรรค์คนหนึ่งเติมแต่ความชั่วแล้อยู่ในโลกต่อไปเรื่องคิดถึงกันอยู่ ตามหาเพื่อนคนที่อยู่ในสวรรค์ไปเห็นเพื่อนเป็นหนอนอยู่ในห้องช่วพระก็เรียกขึ้นมาไปเพื่อนเอ้ยมาอยู่นี่ทำไมขึ้นมาขึ้นมาไปอยู่ด้วยกันกับเราหนอนไปอยู่เมืองสวรรค์มีความโชกไห่ชอบอะไรอะไรมาอยู่นี่ยังไงอันเพื่อนที่ตายไปเป็นหนอนนะ อันนี้เป็นเรื่องนิทานนะไม่ใช่ <laughs> เยเล่าให้ฟังแล้วอาาเมืองสวรรค์มันดียังไงอยากกินอะไรก็มีกินอยากใช่อะไรก็มีใช้ถ้าแต่คิดอยากอั น, นตัวเพื่อนที่เป็นหนอนน่นะก็บอกว่าต้องไปคิดเหลือจึงจะได้กินอยู่นี่ไม่ต้องคิด ตกลงมาเองทุกวันทุกวันไม่ต้องไปคิดอะไรเวลาถึงเวลามก็ตกลงมาสนุกกินอยู่นี่ลอยอยู่มุดอยู่นี่สนุกดีไม่อดไม่อยากอันนี้ไม่ใช่อาหารมันเป็นขี้เป็นคูดเมืองสวรรค์ ม, มันมีขี้กินไหมอย่างว่าอีกว่า <c oughs> เมืองสวรรค์ไม่ ม, มีขี้กินไม่ไปเลย ภูมิมันต่พภูภูมันต่ ำ, ตำบ่าโขนโกรธไปที่ไหวอยากโกรธตัเพื่อนมันไม่เอารอกภูมูมันต่าตาบใด้ีเขาไม่สิ้นบาปสิ้นเบนสิ้นวิบากกับพงกเขาคนจึงจะลูกขึ้นมาจนเปล่อมันจะเฉวยกรขมไปเกินความโกรธโกรธเท่าไหรไม่รู้จักหลาบมันก็หายไป ด่ากันแล้วเสียใจทีหลังตีลูกจนลูกเก็บแล้วเสียใจทีหลังทะเลาะกันแล้วเวลามันหายโกรธแล้วหายกันเสียใจไม่เหมือนกันบางคนป่านนั่นจึงได้มันสายเกินไปมันผิดพลาดแล้ววันนี้มาป้องกันอย่าไม่ถึงความโกรธให้มันเห็นชัดว่ามันโกรธ มันโกรธจะว่ามันโกรธไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเราเขาอย่าไปทําตามมันพุไม่โกรธก็มีมองตรงกันข้ามไม่โกรธก็มีอันคว้มไม่โกรธเป็นธรรมมันความปวดไม่เป็นธรรมเดือดร้อนเป็นทุกข์เลี้หล่าโกรธกินก็ไม่ลงนอนก็ไม่หลับมันก็ทุกข์อันคว้มไม่โกรธเป็นฉลาดนนี่เรามันมามาทําให้มันลาศ ถ้ามันสวรรค์มนันขึ้นขึ้นง่ายๆเห็นมันโกรธเห็นมันทุกข์ขึ้นง่ายถ้าเป็นผู้โกรธเป็นพวกทุกข์ขึ้นไม่ได้เห็นจึงมามีสติเนี่ยเป็นเครื่องทุ่นแรงทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโดยกรรมฐ า, านนี่สักชิทดหน้าเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติของพูกคนเป็นคนคนเดียวกัน